อนาปฏิวานพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ8ปดร้อิองพิกษุีมองดูก่อนแล้วจึงเท 2. ภพิกษุีเทบนคันนา3า พ, พิกษุีบอกเจ้าของก่อนแล้วจึงเท 4. ภพิกษุีวิคนจดิต 5. ภพิกษุีต้นบัญญัติสิบข้าบที่9จบ